สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีวันจันครับนี่คือเสียงจากศรีชาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปรียสูตอนที่ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์สามระดับกับพระเจ้าพี่น้องครับในความสัมพันธ์ธรรมชาติสามระดับกับพระเจ้านะครับเราเห็นตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับเราเห็นความสัมพันธ์ระดับแรกที่ พระเยซูมีก es e ับสาวกของพระองค์ก็คือความสัมพันธ์ระดับกายภาพครับความสัมพันธ์ระดับกายภาพนั้นก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะครับคือความสัมพันธ์ที่เราสามารถมองเห็นกันได้ด้วยตาสัมผัสกันได้ด้วยมือนะครับได้ยินกันได้ด้วยหูนั่นเป็นความสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นในสมัยแรก ในยุคแรกครับแท้จริงแล้วถ้าเรากลับมาดูนะครับความสัมพันธ์แบบนี้ก็คือความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราทั้งหลายมีต่อกันเมื่อเราเจอหน้าเจอตากันเมื่อเราพบกันเมื่อเราเกิดมาเป็นพี่น้องกันอยู่ในทิศจักรเดียวกันนะครับหรือเป็นความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวส่วนใหญ่ครับนะเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าเธอหน้าตาดีเขาหล่อดีนะครับเขาดูดีฉะนั้นเราจึงควรคบเขา นี่คือความสมบัติระดับกายภาพครับในแง่หนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าขาดคนคนนั้นไปนะครับก็กลายเป็นว่าคนคนนั้นก็หายไปตายจากกันพี่นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความน่าเศร้าใจในอารมณ์นะครับในความเศร้าโศกเสียใจขณะที่พระเยซูได้ถูกตึงว่าไม่ยั้งเขนและจากพวกเขาไปและเขาก็ไม่ได้คิดว่าพระเยซูจะเป็นแค่ในความตายหรอกครับนะครับ เพราะฉะนั้นหลายหลายคนนะครับก็เช่นเดียวกันมีความรู้สึกแบบนี้นะครับในคู่สามีภรรยากันบ้างเช่นถ้าเราฉันไม่สามารถมองข้ามสิ่งที่เป็นความอะไรนะครับไม่เข้าใจกันหรือเป็นความด้อยของแต่ละฝ่ายก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับเราต้องมีความสัมพันธ์ระดับลึกนะครับและหนุ่มสาวที่กําลังจะแต่งงาน หรือแต่งงานไปนแล้วต้องมีความระดับมีความสัมพันธ์ระดับลึกนอกจากความสัมพันธ์ระดับกายภาพนะครับก็คือความสัมพันธ์ระดับจิตใจครับเป็นความสัมพันธ์ระดับที่สองความสัมพันธ์ระดับจิตใจนี้เป็นความสัมพันธ์ที่สัมผัสกันในระดับของบุคลิกภาพนะครับบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคนครับเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ดาวิดนะครับกับโยนาธานตอนที่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับดาวิดกับโยนาธานนั้น เป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยทีเดียวตายแทนกันได้เลยทีเดียวนะครับในพระธรรมหนึ่งส ม, มูเอรบทที่สิบแปดข้อที่หนึ่งนะครับก็ได้กล่าวว่าพระทัยของโยนาธานก็ผูกพันกับจิตใจของดาวิดและโยนาธานทรงรักดาวิดอย่างมากเหมือนรักชีวิตของตนเองนี่คือความผูกพันนะครับระหว่างเพื่อนระหว่างพี่น้องนะครับตรงนี้เองผมขอพูดออกนอกกรอบนิดหนึ่งครับบางคนบางกํามรา นะครับที่ส่งเสริมเรื่องของการมีความสัมพันธ์ของเพศเดียวกันหรือพวกโคมเซ็กชวลนะครับก็มักจะยกข้อมีข้อนี้หนึ่งสมุดเอเบบที่สิบปดข้อที่หนึ่งว่านี่คือความสัมพันธ์ระดับระหว่างดาวิดกับโยนาธานในรูปแบบของเพศเดียวกันนะครับเป็นความรักความใคร่ความชอบพอระหว่างเพศเดียวกันหรือที่เรียกว่าโคมเซ็กชวลนั่นเองพี่น้องครับยังไงก็ตามครับเราไม่ได้เห็นด้วยกับ ความคิดนี้โดยยกข้อพิมพผีข้อนี้ครับเพราะว่าเราเห็นว่ากระษัตริย์ดาวิดนั้นมีจิตใจที่เรียกว่าผูกพันจริงๆครับดาวิดเป็นคนที่มีความเซนสิทีฟนะครับเขาพร้อมที่จะกลับใจในเดียวกันครับเขาก็พร้อมที่จะออกห่างทํำบาปนะครับชีวิตของดาวิดนั้นคล้ายๆกับชีวิตของพวกเราเหมือนกันครับเพราะเนื่องจากว่าทํำบาปนะครับก็ได้นะครับรักพระเจ้าก็ดี นะครับนี่คือสิ่งที่ดาวิดนั้นเป็นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าดาวิดนั้นพร้อมที่จะกลับใจเสมอและการกลับใจของดวิดนั้นเป็นการกลับใจที่พระเจ้ายกโทษให้ครับเป็นการกลับใจที่เกิดจากความเสียใจนะครับที่ทํำบาปและรู้ว่าเขาได้ทําผิดใหญ่หลวงต่อพระเจ้าและเขาในที่สุดนั้นก็กลับใจใหม่นะแต่การกลับใจใหม่ของเขานั้นก็ยังไม่พ้นนะครับไม่พ้นจากการตรีสอนของพระเจ้า นะครับเขาต้องรับสิ่งที่เขาทําไว้รับขนแห่งความบาปที่เขาทําไว้ในทุกๆครั้งที่น้องครับกลับมาดูคําสัมพันธ์ระดับจิตใจก่อนนะครับโยนาธานถูกฆ่านะครับดาวิดเศร้าโศกมากและกล่าวว่าโยนาธานพี่ชายของข้าเอย๋ยข้าเป็นทุกข์เพื่อท่านท่านเป็นที่ชื่นใจของข้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้านั้นอัศจรรย์เหนือกว่าความรักของสัตรีนี่ก็เป็อีกข้อหนึ่งครับนะครับ แสดงว่าความ ผ, ผูกพันทางกายภาพไม่ใช่ครับแต่เป็นความผูกพันด้านจิตใจครับเป็นระดับความรู้สึกระดับบุคลิกภาพความสัมพันธ์ isms. ของครั้งสองนั้นเกิดจากจิตใจที่ปราศจากเหยื่อสิ่งที่เกี่ยวกับกายภาพนะครับพวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งมากขึ้นระดับจิตใจนั้นเป็นระดับที่คนที่แต่งงานกันควรจะพัฒนาไปถึงนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับความสัมพันธ์ทางกายภาพก็สําคัญสําหรับคนที่แต่งงานนะครับและแต่แต่ แต่มีสิ่งที่สูงกว่านั้นอีกก็คือระดับจิตใจต้องผูกพันกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายจะมั่งมีหรือยากจนพี่น้องครับเราต้องไปให้ถึงตรงนี้ในระดับของการแต่งงานนะครับหน้าเศร้านะครับที่หลายหลคนนั้นไปด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีความปรารถนาและตั้งใจนะครับไม่มีความปรารถนาและตั้งใจที่จะกลับใจเสียใหม่ครับที่จะยอมยกโทษให้แก่กันและกัน ที่จะแสวงหาซึ่งกันและกันท่อมใจลงนะครับยอมรับซึ่งกันและกันครับลดความคาดหวังที่มีต่อตัวตัวเองและฝ่ายตรงข้ามลงพี่น้องครับเมื่อถึงตรงนั้นระดับความสัมพันธ์ระดับจิตใจก็จะพัฒนาขึ้นครับเรามาดูระดับสูงสุดของความสัมพันธ์ครับพี่น้องคงจะเดาได้ก็คือเป็นระดับของจิตวิญญาณเป็นระดับที่สูงที่สุดหรือเรียกว่าลึกที่สุดก็ได้เป็นระดับที่พระเยซู กล่าวถึงในบทสนทนากับโทมัสนะครับหรือเป็นระดับที่เปาโลได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าอันความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองเพราะดํมริตของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกันพี่น้องครับอันนี้พบอยู่ในหนึ่งโคลินบทที่สองข้อสิบเอ็ดนะครับหนึ่งโคลินบทที่สองข้อสิบเอ็ด ไม่มีใครอย่างรู้มนุษย์ฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณได้นอกจากตัวเขาเองและในขณนเดียวกันครับก็พระดำริของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นสามารถพูดอย่างนี้ก็ได้ครับว่าเราไม่อาจรู้จักความคิดหรือแรงบันดาลใจที่แท้จริงของมนุษย์ได้ยกเว้นเราจะเข้าใจจิตวิ ญ, ญญาณของเขาพี่น้องครับหากว่าฝ่ายหนึ่งมีพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ฝ่ายหนึ่งไม่มีพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ พูดกันเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจนะครับฝ่ายหนึ่งมีพระเจ้าฝ่ายหนึ่งไม่มีพระเจ้านะครับพูดเรื่องพระเจ้ายังไงก็เข้าใจช้าพี่น้องครับเวลาที่เราอธิษฐานด้วยกันมีการเชื่อมต่อกั น, กนฝ่ายจิตวิญญาณครับเพราะว่าเรามีสามพิธีธรรมร่วมกันในสิ่งที่เป็นพระวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านหรือคู่สมรสทุกท่าน ผมจึงอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสในการอธิษฐานด้วยกันมากๆครับนะการมีโอกาสอธิษฐานด้วยกันมากๆนั้นเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณนะครับทําให้เราเข้าสู่ระดับลึกของความสัมพันธ์ในการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในกลุ่มแคร์ครับกลุ่มเซลล์นะครับความเสิ่งที่ทำอีกรูปแบบหนึง่งนอกจากการอธิษฐานแล้วก็คือการเรียนพระกระพีด้วยกันนะครับเพราะการเรียนพระกระพีนั้น จะนําไปถึงความเข้าใจร่วมกันที่เหมือนกันนะครับจะนําไปถึงหลักข้อเชื่อเดียวกันนะครับจะนําไปถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านทางพระเจริญเป้าญาณบริสุทิเดียวกันนะครับความ ส, สามัคคีธรรมที่ผ่านทางพระเจริญและการสามัคคีธรรมที่ผ่านทางการอธิษฐานนั้นจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดในระดับลึกที่สุดระหว่างคนสองคนหรือคนกลุ่มหนึ่งเพราะว่านี่เป็นความสัมพันธ์ฝ่ายวิ ญ, ญญาณครับ พี่ น, อน้องครับการพูดคุยความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆฝ่ายวิ ญ, ญญาณไม่ใช่สามัญคิธรรมแท้ฝ่ายวิญญาณครับอาจจะเป็นระดับเดียวนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าเราเริ่มต้นพูดเกี่ยวกับพระกัมภีร์กับคนอื่นแน่นอนครับเรากําลังเข้าสู่มิติของความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องข้อมูลอย่างเดียวครับนะครับเพราะข้อมูลฟังแล้วอาจจะเหนื่อยเพราะบางคนก็จําไม่ได้ นะครับแต่ต้องพูดมาจากความคิดความรู้สึกนะครับและจิตวิ ญ, ญญาณของเราเพราะฉะนั้นคนที่มีวิญ ญ, ญาณก็จะสัมผัสคนที่มีวิญญาณครับนะเมื่อคนอื่นพูดถึงสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณนะมาถึงปุ๊บเราก็จะสัมผัสได้พี่นะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อเราอาธิษฐานนะครับเราสัมผัสฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องฝึกอธิษฐานฝึกฟังเสียงของพระวิญญาณ จะสังเกตว่าเราจะมีความซาบซึ้งเราจะใช้เวลากับพระวิ ญ, ญญาณกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเราได้มีโอกาสพักพิงในพระเจ้าพักผ่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องลองทําดูนะครับใช้เวลาอาธิษฐานอ่านท่าคัมภีพีมากๆครับใช้เวลาอธิษฐานอ่านท่านกุ้งพีไข้ควรเพราะเจน์ ข, ข, ข, ของพระเจ้ามากๆและรอคอยฟังเสียงจากพระเจ้ามากๆนะครับเราก็จะมีความ ชื่นชมยินดีปิติสุขในใจเพราะเหตุที่ว่าเราได้มีความสัมพันธ์ระดับจิตวิญ ญ, ญาณพี่น้องอย่าลืมนะครับความสัมพันธ์สามระดับในเช้าวันนี้ให้ได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราไปอยู่ที่ไหนนะครับไปเข้าค่ายที่ไหนไปทํำอะไรที่ไหนนึกถึงพระเยซู ต, ตลอดเวลาคุยกับพระองค์ตลอดเวลาคุยกับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาครับอาเมน